ไปเกลียดมันก็ไม่หายเราไปเกลียดผลแต่เราทำเหตุใช้าใจไหมคือเรามีความอยากขึ้นมาเราก็ดิ้นรนสั่งใจขึ้นมาพอใจเป็นทุกข์นี่เราไม่ชอบเราทำเหตุของความทุกข์แต่เราปฏิเสธผลคือปฏิเสธตัวความทุกข์นั้นท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เหตคุคือตัวสมูทัยให้ละเสียทุกข์น่ไปละมันไม่ได้อ่ะหมอว่าไงหมอหมอธุลี <c oughs>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 เพราะราคาเป็นกิเลสราคาไม่ใช่ความสุขนะังนั้นถึงเรารู้ว่าจิตมันชอบความสุขความสุขก็ไม่ได้หายไปหรอกคุณอะเรื่องกันถ้าเหตุของความสุขยังอยู่ความสุขก็ยังอยู่งนั้นจิตมีความสุขขึ้นมาก็ดีแล้วถ้าราคาแทรกก็รู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงำจะติดใจจะติดใจในความสุขอยากได้ความสุขอีกอยากให้ความสุขอยู่ถาวร เขามันไม่ได้มันจะทุกข์เฮ้หมอธุรีที่ถามมาเนี่ยไม่ใช่กันบ้านเลยนะคือมันดูแล้วมันยากอ๋อเอออย่างงี้พอเป็นกันบ้านเลยนึ ก, น, กนึกขึ้นมาก็ถามเอานะอ้าว่าไงว่างไางมาที่เราเราเราเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยแล้วมันก็นอยู่ตลอดลแล้วจะจะรู้ตอนอีกท้ายนีว่าเรารู้ตอนมันเกิดแล้ว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 อา้าวนกว่าไงนกอตอบถูกแค้ได้ถูกใจอย่างนี้อา้าวชื่ออะไรลืมอีกแล้วเออแตนว่ามาเป็นไงแล้วติดโรค ก, กันอยู่ใกล้กันแต่แต่ซึมไม่เท่านกนะนกซึมแรงกว่ารู้สึกไหมนกซึมแรงกว่าแ้วก็รู้เอานะไม่ต้องแก่หรอกดูความซึมเนี้ย คมัวเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆอย่าไปเกลียดเขาถ้าเกลดเขาก็เหมือนตะกี้เนี่ยะที่เกลดกิเลสเกลดกิเลสแล้วก็กิเลสก็ครอบอยู่นั้นแหละนไม่หายเอาใครใครอีกเอาคุณหมอวันนี้หมอเยอะเลยหมอเพราะเวลาคลื่อนตอนจะหลับเนี่ครับบางทีรู้สึกว่าช่วงนั้นมันม น, มนใจมันฟุ้งต้า น, นครับหมายว่าช่วงจะหลับเคลื่อน เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนั้นะเวลาที่ปฏิบัติยากที่สุดนะคือตอนตื่นนอนใหม่ๆยากที่สุดเพราะโมหะอะแยะแล้วคายยังรู้กว่าอย่างเวลาอย่างเวลาขับรถเนี่ยครับมันจะมิ่ว่าหูเราไม่ได้ยินแล้วก็สพคนก็ไปตามองเห็นภาพจิต้าหน้าที่กลังับรอยู่อก็ไปที่ขาที่กลังเหยียอใช่ใ่มันกระโดดไปกระโดดนั่นแหละถูก้องแล้วนะเพราะจิตนี่เกิดดับทีละดวง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 ไม่ใช่ว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาดรือแม้ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปทางหูแล้วกลับมาไม่ใช่ะจิตเนี่ยเกิดทางตาก็ดับที่ตาเกิดทางหูก็ดับที่หูเพราจิตที่เกิดทางตาทําหน้าที่รู้รูปอย่างเดียวไปฟังเสียงไม่ได้ะจิตที่ไปเกิดที่หูฟังเสียงได้อย่างเดียวไปรู้รูปไม่ได้จิตที่เกิดทางกายรู้การกระทบรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว นั้นจิตมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับคุณหมอรู้ไปรู้เล่นๆต่อไปนะจะเห็นเลยโอ้หาสาระไม่ได้เลยชีวิตนี้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้นะมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับว่าแป๊บว่าแป๊บไปเรืเอ่อยสุธรรมวะไงสุธรรม เราไม่เป็นไรนะแต่ละคนไม่เป็นไ ร, ไนไรใชได้ใชได้บางคนก็วงจอมันก็สั้นบางคนก็ยาวบอกว่าทุกครัง้ทงทุกครั้งุลเนี่ยมัน้ไยิ ด, ด, ดแล้วนะแล้วสังเกตแล้วตัวเองจะชอบ ต, ตอนมีนามสุ่มันจะเื่อแล้วมันจ ะ, ะนเจืะะเะะอนนอธรรมดานะเทวดาภาวนายาก เทว ด, ดาความสุขเยอะมันก็เผลอเพลิน เ, ลนเพลินไปภาวนาลาบากทุกข์มากเกินไปก็ภาวนาไม่ไหวนะสัตว์นรกหรือคนกำลังอกหักไปตายไม่ตายแหล่อะไรเงี้ยภาวนาไม่ไหวเป็นมนุษย์ปกติอย่างพวกเราเนี่ยกำลังพอเหมาะพอดีที่จะภาวนาฉนั้นต้องรีบทำให้งแตตอนนี้อย่ารอจนความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถึงจะภาวน า, างั้นมันไม่ไหวถ้าที่ไหน แล้วอ๋อโอ้เป็นบุญเนาะแกนวีรศักดิ์มาจากสุโขทยัยอ่ะออสตันว่าไงออสตันเออดีดีด ที่บอกเนี่นะหมายถึงว่าอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบเสียนะยงั้นจะดูพองยุบก็ดูไปเนะองแต่ว่าพอเลิกดูพองยุบแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวอย่าไปกําหนดนะรู้พองยุบแต่ไม่ใช่กําหนดนะท่านแยกกันออกให้ยังตรงนะี้กําหนดเนี่ยอัคติปทาบอกว่าใช้ไม่ได้นะมันจะทําให้เกิดความเครียดเครียดขึ้นมานะางั้นให้เราเราเ ร, า ร, รู้เราเห็นร่างกายเนี่ยพองไปยุบไป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 อย่าไปจงใจไม่ใช่ปิติหรอกทันทีที่จิตไปรู้สภาวะตรงความเป็นจริงนะจิตจะโล่งขึ้นมาเลยสว่างะจิตจะเกิดโสมนัติเวทนาขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวโสมนัติเวทนาที่ประกอบกับมหากรุสุรจิตคือทันทีที่จิตของเราเกิดสติเนี่ยจิตจะเป็นจิตชนิดที่เรียกว่ามหากรุสุรจิตเป็นจิตที่มีบุญเยอะเพะฉะนั้นจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตเนี่ยจะมีเวทนาจะมีความรู้สึกสองอย่างเท่านั้น คือหนมีสมนัตมีความเบิกบานผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองชัว่วขณะแล้วก็หายไปนะอันที่สองมีอุเบกขาเวทนาจิตจขึ้นรู้สึกขึ้นมานุ่มๆ น, นะเป็นกลางนุ่มๆแต่ว่าไม่มีความสุขผุดขึ้นมาจะมี2ชนิดเท่านั้นไม่มีความทุกข์จิตที่มีความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นตัวความทุกข์ความทุกข์ทางใจนะโทมานัตเวทนาเกิดร่วมกับอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนั้นไม่ใช่ตัวปิติหรอก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 แ้วถ้าไปรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หลุดออกมาชอบเข้าไปแช่เพราะมันเคยชิ น, นเข้าไปเพง่งเข้าไปแช่ใจไม่ชอบมันให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบพอใจเปลีนการางปุ๊บก็จะหลุดออกจากการแชร่จําได้ไหมตรงนี้ไม่ยากนะง่ายการปฏิบัติง่ายที่สุดเลยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยมันทำของมันเองดูออกไหมหน้าที่ของเราก็แค่ตามรู้ตามดูเนี่ยคําว่าตามรู้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 ตอนนี้เหรอขณะเป็นอย่างตอนนี้ไหมนนแล้วตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมรู้สึกไหมใจใจเราไม่เป็นธรรมดาไม่รู้สึกไหมว่าเราประคองไว้อเออเลิกประคองซะนะประคองไว้นั่นแหละคือการเข้าไปบิดเบือนมันเข้าไปแทรกแซงเข้าไปควบคุมเข้าไปบังคับนะเรียกว่าอัตตะกิลมัทธานิโยกเรียกว่าความปรุงแต่งสายกุศล ถามว่าดีไหมรักษาไว้ดีนะเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วแต่จะบรรลุมรควนไหมไม่บรรลุหรอกเพราะคนละเรื่องกันะไม่ได้บรรลุเพราะดีนะบรรลุเพรามีปัญญาเห็นความจริงมาทุกอย่างเกิดแล้วดับเ้าใครใครใครจะส่งกันบ้านเชิญเอานิปนัดนัดหรือเน็ดเอ้าว่ามารดนด้วยสามคนพี่น้อง ก็รู้ฐานก็ดีแล้วนะอ้าวแล้วพี่ชายว่างไงขยันดูไหมแล้วคำนี้หลวงพ่อไม่เคยได้ยิน <c oughs> เอาไม่เอาไม่ไ <c oughs> อ, <c oughs> อคนขี้เกียจมันตายไปแล้วนะ <c oughs> เรามีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไะอคนขี้เกียจ น, นะก่อนจะมาวัดมันเป็นคนขี้เกียจให้มันตายไปแล้ว <c oughs> คนปัจจุบันนี้กาลังเรียนรู้การเจริญสตินะ เพราะงั้นไม่ขําคขวนถึงอดีตนะอดีตผ่านมามันขี้เกียจเรื่องของมันเอาปัจจุบันไหมอา้าวคนเล็กว่าไงเออดีดีถูกใจถูกใจที่จริงสามคนพี่น้องดีขึ้นนะดีขึ้นทั้งสามคนเลยรู้สึกไหมความรู้สึกตัวมันเด่นมากขึ้นมากขึ้น ทำถูกทั้งสามคนแหละเกินที่ว่าขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจเท่าไหร่หรอกนะขี้เกียจมันไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนี้หรอกเนะอามีใครอีกเชิญเชิญหนูนาไหมเอาคุณน้่นอะ่ะแฟนแตนอะ่ะชื่ออะไรลืมอีกแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรอ๋อ <c oughs> ทิติหล่อพูดเป็นใตรักดี <c oughs>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 อ่าวตอบถูกใช้ได้เห็นไหมมีโมหะก็ไม่ว่านะใจดีหาครูบาอาจารย์ใจดี mm hmm. อย่างนี้หายากนะเนี่ยชมเพลงไม่ลูกศิษย์มีโมหะยังไม่ว่าเลยขอให้รู้ว่ามีโมห mm hmm. ะะพุทธเจ้ายัางชมเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อชมคนเดียว mm hmm. ท่านบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยด mm hmm. ตงงีตูนเมื mm ่อง่ายตูนอะไรนะ เออดีแล้วรู้สึกเรื่อยๆนะแข็งไปหรือเปล่าตอนนี้ยตัวแข็งเกินไปหรือเปล่าออแข็งก็รู้ทันนะแต่รู้สึกไวแตนอย่ากแกล้งทาพี่กแกล้งทำแล้วนะอาคุณนี่ล่ะพี่ใส่แว่นตาไปคุยอะไรไหมหรือยังนี่ล่ะสีส้มเนี้ยเชียงใหม่หรืออะไรอะไรเนี้ยเนี้ยเป็นไงบ้างเคยมาไหมไม่เคย อ, อืม เคยฝึกมาแบบไหนไม่ใช่สิเรียกพองยุบนะเดี๋ยวอาจารย์ว่านะพองห น, อ ย, หนอยุบหนอยังดีได้ดีกว่าบางคนบอกฝึกยุบหนอพองหนออะไรนะทำไมนะมมไม่มีใครกลุ <frosting> ่มได้น ะ, แ, แ, กะแก้ไม่ได้ไไให้รู้รตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้แก้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 ใหญคนนี้แกไปยักหน้าอยู่นะเราเป็นคนดูนะนเออเป็นกระจกส่องใจตัวเองแล้วตอนเนี้กระจกหายไปไหนรู้สึกไหมเอากระจกมาโยนใส่หลวงพ่อ <c oughs> รู้จักตื่นหรื อ, อยัง <c oughs> เมื่อกี้แว๊บหนึ่งตื่นขึ้น่ะใจมันจะโล่งว่างมันจะเหมือนมันสว่างขึ้นมา อ่ามันรู้ทางแล้วมันโปร่งมันเบามันโล่งขึ้นมานั่นแหละคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวล่ะเกิดขึ้นชั่วขณะนะครั้งละแวบเดียวเทวดาก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะของเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มันเกิดถาวรนะแต่ฝึกให้มันเกิดบ่อยมันถาวรไม่ได้มันของไม่เที่ยงมันไม่ได้มีการเรียนหรือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถาวรนะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่ถาวรที่ผุดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้น คุณที่มีหางเปียมาจากไหนเป็นไงภาวนาอย่างไงบ้างาเหรอเนี่ยรู้สึกไหมตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยเราอินในเรื่องที่เราคิดรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดของเราให้รู้ทันในเราหลงเข้าไปคิดแล้วถ้ารู้ทันเราจะตื่นขึ้ น, นมารับรองไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดตอนหลับ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 ก็ให้รู้ทันสภาวะลงไปทีละขณะเลยใจวุบ ก, ก็รู้ว่าวุ๊บนะว่าจริงๆเนี่มันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นนะนี่จิตมาใสา่ยอยู่ชั่วคราวนะนี่พอไปรู้ความจริงแล้วใจมันปุบลงไปมันไม่ชอบหรอกมันสยองมันไม่อยากตาย <c oughs> นะแล้วก็รู้ทันใจวุบลงไปก็รู้ทัน เใช้ได้รู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันน่ะเปลี่ยนตลอดแต่ถ้ามันเปลี่ยนเร็วนะอย่าไปไล่ตามดูทีละอันนะสมมติมายิบยับ ย, บยิบยับดูไม่ทันให้รู้แบบรวบยอดเลย ต, ตอนเนี้ยกําลังฟุ้งซ่านอยู่มองแบบภาพรวมมันจะหายฟุ้งซ่านพว๊บแก่จะตั้งมั่นแล้วคราวนี้อารมณ์จะไหลามาช้าๆค่อยๆดูไปถ้ามันเร็วฉี่จนดูไม่ทันนะพอรู้ทันอีกนี่จิตฟุ้งซ่านอีกแล้ ก็จะไหลช้าๆค่อยดูไปเรื่อย ง, ง่ายจะตายไปพวกเราเรียนเยอะไปมัง้งอ่ะหนุ่มนี้ลหละ เ, เ, อเออครั้งแรกไม่เป็นไรอย่าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันคือต้องพยัน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 แต่ น, นั้นมันเป็นอะไรพูดทางทฤษฎีไงะนะเอาในทางแง่ของการปฏิบัตินะเวลาใจมันกลุ้มใจเนี่ยให้รู้ทันว่ามันกลุ้มใจดูเหมือนเห็นคนอื่นกลุ้มใจอะ่ะพยายามดูเหมือนดูคนอื่นเากลุ้มใจเราเป็นแค่คนดูไม่กลุ้มใจหรอกค่อยๆยแยกอย่างเงี้ยแยกไปอีกหน่อยไม่กลุ้มใจนะเหลือแต่ปัญหาอันเดียวตอนเนี้ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหม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 ความทุกข์เนี่ยมีเกิดเกิดดับดับพอคิดแล้วก็ทุกข์ไม่คิดไม่ทุกข์เอ๊ะคิดเรื่องอื่นก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์เนี่ยเกิดดับเกิดดับกระดับเพราะงั้นชีวิตเราไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ทั้งวันแลถ้าแยกเป็นนะเรามีชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยจะพบว่ามีขนาดที่ไม่ทุกข์เนี่ยเยอะแยะเลยนะเพราะงั้นไม่ใช่ทุกข์ทั้งวันหรอกทุกข์บ้างสุขบ้างตลอดชีวิตเลยนะตลอดวันเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม เนี่ยลองหันไปดูคุณนั้นดูสิเนี่ยเราหันไปดูเขาดิรู้สึกไหมว่าตอนนี้ไม่ทุกข์เนั้นความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราเองแต่ความคิดเป็นของที่ห้ามไม่ได้ะเพราะฉะั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันดูสิความทุกข์เนี่ยคงที่หรือไม่คงที่เราจะเห็นเลยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวเขาคิดใหม่มาใหม่ยคิดใหม่ก็มาใหม่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 เดี น, นี้ฝรั่งมันไปเข้าคอร์สเรียนธรรมะกันนะค่าเรียนแพงมากเลยเป็นแสนแสนเลยของเราเรียนฟรีนะันยังไม่ค่อยยอมเรียนเลยนะเดี๋ยววันหลังหลงพ่อเก็บส ต, ตางให้แยกกันมาเรีย น, นเขาอุตส่าห์ไปเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักว่าทำไงจิตเขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจิตจะเข้มแข็งจิตจะไม่มีความทุกข์เป็นจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเอาจิตที่แข็งแรงเนี่ยไปทําธุรกิจ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 ไม่เป็นนอนอยู่กรงเดียวกันคนละคณะหลวงปู่ดูลก็บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้เพราะทาไมอ่ะทําไมรู้ะเพราะมัวมัวแต่คิดเรารู้เรื่องที่เราคิ ด, เ ร, เ, รคดเรื่องที่เราคิดไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นเองงั้นเราก็รู้ความจริงไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเราหลุดออย่างโลกของความคิดเรารู้กายรู้ใจเรารู้ความจริงได้ล้วอย่างตอนนี้คุณหมอหนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหม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 มานที่เราให้คิดนี่ชื่อว่าอภิสังขารมานันนะคิดไปคิดไปก็เกิดกิเลสมานนะเสร็จแล้วสุดท้ายมัจจุมาเราไปกินอะไรนะอะไรนะทำไมเราถึงจะรู้ว่าเราไม่อยู่ในอเนชนะนะาไม่ไม่ไม่เป็นอเนนไม่ถึงอเนชานะ <c oughs> อาเนชานี่ยข้าวอารูปนะ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 อึงแล้วมันจะเริ่มมันบมาล ง, งมาที <im itation> น, นี้ผมเลิอกอหะมหาคุสะพาวะพระพาทิสะพาวะเนี่ยช่งที่มัว่าขึ้นมานหน่อยเนี่ย <im itation> ตัวเนี้มันมพอพอจะบางด้วยครับเฉพาะที่ตั ม, ม น, นึงอื่นๆมันเคยเคยชินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกหน่อยก็หายคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับหลักของกรรมฐานได้นะทํากรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็ใช้ได้ละยกตัวอย่างอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเรารู้เพื่อให้จิตสงบเนี่ยเป็นสมถะ